หาอธิกรณาทิปปายะว่าด้วยอธิบายอธิกรวิวาทาทิกร348อถามวิวาธาทิกรเป็นอนุวาธาทิกรเป็นอาปตาทิกรเป็นกิจจาทิกรหรือตอบวิวาทาทิกรไม่เป็นอนุวาทาทิกรอาปตาทิกรกิจจาทิกร แต่เพราะวิวาธาทิกรเป็นปัจจัยอนุวาธาทิกรอาปัตตาทิกรกิจจาทิกรย่อมมีได้เปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนพิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้วิวาทกันว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นอธรรมละนี้อาบัติชั่วหยาบนี้อาบัติไม่ชั่วหยาบความบาดหมางความทะเลาะความแก่งแย่งความวิวาท การกล่าวต่างกันการกล่าวโดยประการอื่นการพูดเพื่อความกัดกลุ้มความหมายมั่นในเรื่องนั้นนี้เรียกว่าวิวาธาธิกรสงวิวาทกันในเพราะวิว า, าทิกรจัดเป็นวิว า, าทิกรเมื่อวิวาทกันย่อมโจดจัดเป็นอนุวาวาธิกรเมื่อโจด ย, ย่อมต้องอาบัต จัดเป็นอาปัตตาทิกรสง์ทำกรรมตามอาบัตินั้นจัดเป็นกิจจาทิกรเพราะวิวาทาทิกรเป็นปัจใจอนุวาทาทิกกร อ, อาปัตตาทิกรกิจจาทิกรย่อมมีอย่างนี้อนุว า, าทาธิกกรถาม อนุวาธาธิกรเป็นอาปัตตาธิกรเป็นกิจจาธิกรเป็นวิวาธาธิกรหรือตอบอนุวาธาธิกรไม่เป็นอาปัตตาธิกรกิจจาธิกรวิวาธาธิกรแต่เพราะอนุวาธาธิกรเป็นปัจจัยอาปัตตาธิกรกิจจาธิกรวิวาธาธิกรย่อมมีได้เปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนภิกษุทั้งหลายในธรรมวิไนนี้ โจทย์ภิกษุด้วยศีลวิบัติอาจาราวิบัติทิฏฐิวิบัติหรืออาชีววิบัติการโจทย์การกล่าวหาการฟ้องร้องการประท้วงความเป็นผู้คล้อยตามการทําความพยายามโจทย์การให้กําลังสนับสนุนในเรื่องนั้นนี้เรียกว่าอนุวาธาธิกกรสงวิวาทกันในเพราะอนุวาธาธิกร จัดเป็นวิวาธาธิกรเมื่อวิวาทกันย่อมโจดจัดเป็นอนุวาธาธิกรเมื่อโจทย่อมต้องอาบัติจัดเป็นอาปัตตาธิกรสงฆทํากรรมตามอาบัตินั้นจัดเป็นกิจจาธิกรเพราะอนุวาธาธิกรเป็นปัจจัยอาปัตตาธิกรกิจจาธิกรวิวาธาธิกรย่อมมีอย่างนี้ อาปัตตาทิกรถามอาปัตตาทิกรเป็นกิจจาทิกรเป็นวิวาททิกรเป็นอนุวาททิกรหรือตอบอาปัตตาทิกรไม่เป็นกิจจาทิกรวิวาททิกรอนุวาททิกรแต่เพราะอาปัตตาทิกรเป็นปัจจัยกิจจาทิกรวิวาททิกรอนุวาททิกรย่อมมีได้เปรียบเหมือนอะไร เปรียบเหมือนอาบัตทั้งหกองชื่ออาปัตตาธิกรอาบัตทั้งเจกองชื่ออาปัตตาธิกรนี้เรียกว่าอาปัตตาธิกรสงวิวาทกันในพระอนุว า, าทาธิกรจัดเป็นวิวาทาธิกรเมื่อวิวาทกันย่อมโจดจัดเป็นอนุวาทาทิกรเมื่อโจทย่อมต้องอาบัตจัดเป็นอาปัตตาธิกร สงฆ์ทำกรรมตามอาบัตินั้นจัดเป็นกิจจาทิกรเพราะอาปัตตาทิกรเป็นปัจจัยกิจจาทิกรวิวาธาทิกรอนุวาธาทิกรย่อมมีอย่างนี้กิจจาทิกรถามกิจจาทิกรเป็นวิวาธาทิกรเป็นอนุวาธาธิกรเป็นอาปัตตาทิกกรหรือตอบ กิจาธิกรไม่เป็นวิว า, าทาธิกรอนุว า, าทาธิกรอาปัตตาธิกรแต่เพราะกิจจาธิกรเป็นปัจจัยวิว า, าทาธิกรอนุว า, าทาธิกรอาปัตตาธิกรย่อมมีได้เปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนความมีแห่งกิจความมีกิจอันจะพึงทำของสงฆ์คืออปโลกนกรรมยติกกรรม ยติทุติยกรรมยติจตุถกรรมนี้เรียกว่ากิจจอาธิกกรณ์สงวิวาทกันในพระอนุวาธาทิกรจัดเป็นวิวาธาทิกรเมื่อวิวาทกันย่อมโจทย์จัดเป็นอนุวาธาทิกรเมื่อโจทย่อมต้องอาบัติจัดเป็นอาปัตตาทิกรสงสงทำกรรมตามอาบัตนั้น จัดเป็นกิจจาธิกรเพราะกิจจาธิกรเป็นปัจจัยวิวาทาธิกรอนุวาทาธิกรอาปัตตาธิกกรย่อมมีอย่างนี้